พระไตรปิฎกเล่มที่สิบปดจิตตะขาหาปฏิปุชาสังยุตประมวลเรื่องคำถามของจิตตะขหบดีว่าด้วยสังโยชนัยหนึ่งภิกษุผู้เป็นเทระหลายรูปอยู่ที่อัมพาตกะวันเขตเมืองมัชิกาสันสมัยนั้นภิกษุผู้เป็นเทระหลายรูปกลับจากบินทบาท ภายหลังฉันพัฒอาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันว่าธรรมะเหล่านี้คือสังโยชน์ก็ดีธรรมะที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ก็ดีมีอัตถต่างกันมีพยัญชนะต่างกันหรือมีอัตถอย่างเดียวกันต่างกันแค่พยัญชนะเท่านั้นในบรรดาภิกษุผู้เป็นเทระเหล่านั้นบางพวกตอบว่า สังโยชน์ก็ดีธรรมะที่เกื้อกูลแข่สังโยชน์ก็ดีมีอัตถะคือความหมายต่างกันมีพยัญชนะคือตัวอักษรต่างกันบางพวกตอบว่ามีอัตถะอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นครั้งนั้นท่านจิตตะกหะบดีเดินทางผ่านมาได้ยินการสนทนาที่ไม่ลงรอยกันนั้นจึงกล่าวว่า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 โค ข, ขาวเกี่ยวเนื่องกับโคดำผู้นั้นชื่อว่ากล่าวไม่ถูกต้องเพราะโคดำกับโค ข, ขาวนั้นไม่เกี่ยวเนื่องกันแต่ถูกเขาผูกด้วยเชือกเส้นเดียวกันเชือกนั้นจึงเกี่ยวเนื่องในโคทั้งสองนั้นอุปมาณิฉันใดอุปมาอกก็ฉันนั้นเหมือนกันตาไม่เกี่ยวข้องกับรูป รูปก็ไม่เกี่ยวข้องกับตาแต่เพราะอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นฉันทราคะจึงเกิดขึ้นตาและรูปนั้นจึงเกี่ยวข้องในฉันทราคะนั้นและโดยในยะเดียวกันหูไม่เกี่ยวข้องกับเสียงจมูกไม่เกี่ยวข้องกับกลิ่นลิ้นไม่เกี่ยวข้องกับรสกายไม่เกี่ยวข้องกับภัพภะ หลักใจไม่เกี่ยวข้องกับธ ร, รมมารมณ์แต่เพราะอาศัยกันและกันทั้งสองนั้นชันทราคะจึงเกิดขึ้นอยนายตนะภายในและอยายตนะภายนอกแต่ละคู่นั้นจึงเกี่ยวข้องในชันทราคะนั้นครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นกล่าวชื่นชมท่านจิตตะกะหะพดีว่าเป็นลาภของท่านท่านได้ดีแล้ว ที่ปัญญาจากสุขของท่านอย่างลงในพระพุทธพจน์ที่ลึกซึ้งอย่างนี้ว่าด้วยพระอิสิทัตตะสมัยหนึ่งท่านจิตตะกะหาบดีนิมนต์ภิกษุผู้เป็นเทระทั้งหลายมารับพัฒหาในเช้าวันหนึ่งได้เรียนถามท่านพระเทระดังนี้ว่า ที่กล่าวกันว่าทาตต่างๆนั้นด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าทาตต่างๆเมื่อถามอย่างนี้แล้วท่านพระเทเระได้นิ่งอยู่แม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามก็เช่นเดียวกันสมัยนั้นท่านพระอิสิตัตตาเป็นผู้ใหม่กว่าภิกษุทุกรูปในหมู่ภิกษุนั้น ได้กล่าวขึ้นมาว่าจะออตอบปัญหาข้อนี้เองเมื่อพระเทระอนุญาตแล้วอิสิตตะจึงตอบดังนี้ว่าข้าบดีพระผู้มีพระภาคตรัสท่าต่างๆไว้ดังนี้ว่าจากกุฏิทารูปท่าจากรุปวิญญาณโสตท่าสัทธท่าสัทธวิญญาณ ขานะธาตุขันธธาตุขานวิญญาณชิวหาธาตุรัศธาตุชิวหาวิญญาณกายาธาตุปทัพธาตุกายวิญญาณละมนโนธาตุธรรมธาตุมนโนวิญญาณธาตุด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลพระภูมิพระภาจึงตรัสว่าธาตุต่างๆ จิตตากหเบดีชื่นชมยินดีพาษิท์หลังจากจิตตากหเบดีจากไปไม่นานท่านพระเทระได้กล่าวกับท่านพระอิสิทตะดังนี้ว่าดีแล้วท่านอิสิทตะปัญหาข้อนี้แจ่มแจ้งแก่ท่านไม่แจ่มแจ้งแก่ผมถ้าเช่นนั้นเมื่อปัญหาเช่นนี้มาถึงแม้โดยประการอื่นท่านพึงตอบปัญหานั้นแหละ อีกสมัยหนึ่งจิตตากถาพดีได้ถามภิกษุผู้เป็นเทระดังนี้ว่าทิฏฐิหลายอย่างเกิดขึ้นในโลกว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือคนละอย่างหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกหรือทั้งเกิดอีกและไม่เกิดอีก หรือจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ทิฏฐิห2สิบสองอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วในปรมาลสูตรท่านผู้เจริญเมื่ออะไรมีทิฏฐิเหล่านี้จึงมีเมื่ออะไรไม่มีทิฏฐิเหล่านี้จึงไม่มีจิตตากะห็หาบดีถามแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามท่านพระเถระ ก็นิ่งไม่ตอบครั้งนั้นท่านพระอิสิทธ ต, ตักได้ขอตอบปัญหาข้อนี้ไว้ดังนี้ข้าบุตีทิฏฐิห2สบสองอย่างนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้แล้วในพระมชาลสูตรข้อนั้นเมื่อสักกายาทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นกายของตนเมื่อสักกายาทิฏฐิมี ทิฏฐิเหล่านี้จึงมีเมื่อสักกายะทิฏฐิไม่มีทิฏฐิเหล่านี้จึงไม่มีถามว่าสักกายทิฏฐิย่อมมีได้อย่างไรตอบว่าปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นไม่ฉลาดในธรรมะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมะของพระอริยะหรือสัตบุรุษ พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปพิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในรูปและโดยในยะเดียวกันพิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยความเป็นอัตตาสักกายทิฏฐิย่อมมีได้อย่างนี้แหละ ถามว่าแล้วสักกายติฐินั้นย่อมมีไม่ได้อย่างไรตอบว่าอริยาสาวกในศาสนานี้ผู้ได้สดับได้เห็นฉลาดในธรรมะได้รับการแนะนำในธรรมะของพระอริยะหรือสัตบุรุษไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูป ไม่พิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในรูปไม่พิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยความเป็นอัตตาข้าบดีสักกายาทิตยย่อมมีไม่ได้อย่างนี้แหละลำดับนั้นจิตตักรหาบดีตามท่านพระอิสิทัตะว่า มาจากที่ไหนเมื่อทราบว่ามาจากอาวันตีชนบทจึงถามอีกว่าในอวันตีชนบทนั้นมีกุลบุตรชื่ออิสิทตากซึ่งเป็นสหายที่ไม่ได้เจอกันนานครั้นออกบวชแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยพระคุณเจ้าเคยเห็นท่านนั้นบ้างหรือไม่ท่านพระอิสิทตากตอบว่าเคยเห็น ถามว่าก็ตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนเราเมื่อจิตตะกะหาบดีถามอย่างนี้แล้วท่านพระอิสิทธาตตะได้นิ่งอยู่ครั้งนั้นท่านจิตตากะหาบดีจึงได้จุก ค, คิดและถามขึ้นว่าพระคุณเจ้าคือท่านพระอิสิทธาตตะของกระผมอย่างนั้นหรือเจอเริญพรกะหาบดีครั้งนั้น จิตตะคะหบดีชื่นชมยินดีภาสิทธ์ของท่านอิสิตัตตะแล้วได้นำของขบฉันอันประณีตประเคนภิกษุผู้เป็นเถระทั้งหลายให้อิ่มน้ําด้วยตนเองครั้นต่อมาท่านพระเทระได้กล่าวกับท่านพระอิสิตัตตะ ด, ด, ดังนี้ว่าท่านอิสิตัตตะปัญหาข้อนี้แจมแจ้งแก่ท่านไม่แจมแจ้งแก่ผมถ้าเช่นนั้น เมื่อปัญหาเช่นนี้มาถึงแม้โดยประการอื่นท่านพึงตอบปัญหานั้นแหละลำดับนั้นท่านพระอิสิทัตตเก็บงำเสนาสนะแล้วถือบาและจีวรจากไปจากเมืองมัจิกาสันได้จากไปแล้วอย่างที่ท่านจะไปโดยไม่กลับมาอีกเลยคำว่าภิกษุผู้เป็นเทรา คือบวชมานานข้อนี้คือแม้จะบวชมานานแต่ก็ไม่สามารถเข้าใจธรรมไม่สามารถอธิบายธรรมดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์อะไรที่ภิกษุใหม่ผู้รู้ธรรมยิ่งกว่าจะอยู่ร่วมกับพระเทระเหล่านั้นว่าด้วยพระมหากะแสดงปาฏิหาร สมัยหนึ่งภิกษุผู้เป็นเทระหลายรูปอยู่ที่อัมพาตะกัวันเขตเมืองมัจจิกาสันครั้งนั้นจิตตะคหบดีได้นิมนต์พระเทระทั้งหลายเพื่อไปฉันอาหารอย่างที่อยู่ของตนในเช้า ว, วันหนึ่งจิตตะคหบดีได้นําข้าวปลายาตปรุงด้วยเนยายอย่างประณีตประเคนภิกษุผู้เป็นเทระทั้งหลายให้อิ่มน้ําด้วยตนเอง ครั้นฉันเสร็จลุกจากไปแล้วจิตตาก็หาเบอรีได้บอกคนของตนว่าให้ทิ้งเศษอาหารที่เหลือแล้วเดินตามภิกษุผู้เป็นเทระทั้งหลายไปเวลานั้นร้อนจัดภิกษุผู้เป็นเทระทั้งหลายมีกายคล้ายกับกระปลงกั บ, ก บ, ลกกบเลียเดินไปทั้งที่ฉันอาหารแล้วสมัยนั้นท่านพระมหกากเป็นผู้ใหม่กว่าภิกษุทุกรูป ในหมู่ภิกษุนั้นขณะนั้นท่านได้เรียนกับท่านพระเทระดังนี้ว่าท่านผู้เจริญคงจะดีถ้าลมเย็ยนจะพึงพัดโ ช, ชยมามีเสียงฟ้าร้องและฝนโปรยลงมาทีละหยาดพระเทระก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงดีเช่นกันลำดับนั้นท่านพระมหกัได้บรรดาริษให้ลมเย็ยนพัดโ ช, ชยมา มีเสียงฟ้าร้องและฝนโปรยลงมาทีละยาิจิตตากหับดีซึ่งเดินตามหลังไปด้วยได้คิดว่าภิกษุผู้ใหม่กว่าภิกษุทุกรูปในหมู่ภิกษุนี้เป็นผู้มีฤทธานุภาเพเห็นปานนี้ทีเดียวเมื่อพระมหกกะไปถึงอารามได้กล่าวว่าท่านพระเถระผู้เจริญการบรรดาริษเพียงเท่านี้พอหรือยัง ท่านพระเถระกล่าวว่าท่านมหากะพพอแล้วท่านทําได้แล้วบูชาแล้วครั้นต่อมาเมื่อพระเถระและท่านพระมหากะไปสู่ที่อยู่ของตนจิตตากะหา บ, บดีก็เด็กเข้าไปหาท่านพระมหากะถึงที่อยู่และขอร้องให้ท่านแสดงอิทธิปาฏิหาริย์อีกครั้ง ท่านพระมหากะ บ, บอกว่าถ้าเช่นนั้นท่านจงปูผ้าห่มที่ระเบียงและเกลี่ยฟ่อนหญ้าไว้เมื่อจิตตาขหาพอดีทำดังนั้นพระมหากะเข้าไปสู่วิหารลันดานแล้วได้บรรดานริ์ให้เปลวไฟออกทางช่องลูกดานและระว่างกรอนประตูให้ไม่ญ้าแต่ไม่ให้ไมหมผ้าห่ม จิตตะคหาบดีตกใจสลัดผ้าหม่มได้ยืนขนลุกอยู่ที่ส่วนข้างหนึ่งท่านพระมหากาออกจากที่อยู่แล้วถามว่าการบรรดาลฤทธิ์เพียงเท่านี้พอหรือยังตอบว่าพอแล้วท่านทำได้แล้วบูชาแล้วแล้วกล่าวว่าขอพระคุณเจ้ามหากาจงยินดีอัมพาตกะวันอันน่ารื่นรม เขตเมืองมัจจิกาสันเถิดกระผมจะบำรุงพระกุณเจ้าด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริการครั้นต่อมาท่านพระมหกะเก็บงําเสนาสนะแล้วถือบาและจีวรจากไปจากเมืองมัจจิกาสันได้จากไปแล้วอย่างที่ท่านจะไปโดยไม่กลับมาอีกเลย ในเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับพระเทระที่ไม่มีทั้งฤทธิ์ไม่รู้ธรรมะบวชมาจนเป็นเทระแล้วภิกษุใหม่ภิกษุใหม่ซึ่งบวชไม่นานมีธรรมะมากกว่ามีคุณธรรมมากกว่าการแสดงฤทธิ์ได้นั้นแสดงให้เห็นถึงอำนาจจิตจากการปฏิบัติในระดับสูงพอสมควรนะครับและเมื่อแสดงแล้วเป็นเหตุให้คารวะ เริ่มใสบูชาและปรารถนาจะถวายปัจจัยสีบำรุงอย่างดีนั้นข้อนี้ก็ไม่ใช่วิสัยของพระผู้ปฏิบัติดีที่จะพึงรับลาบยศสรรเสริญอันเกิดจากการแสดงฤทธนั้นเรื่องการแสดงฤทธและเรื่องวินัยนั้นอย่างให้ศึกษาพระวินัยให้ละเอียดนะครับว่ามีข้อยกเว้นและดูที่เจตนาอย่างไรแต่คนทั่วไปกลับไม่รู้ และกลายเป็นได้ปรามาตพระอริยะหรือพระผู้ปฏิบัติดีซึ่งส่งผลเสียต่อตอนเองมากนะครับว่าด้วยพระกามพูสมัยหนึ่งท่านพระกามพูอยู่ที่เมืองมัชิ ก, กาสันครั้งนั้นจิตตากหบดี เข้าไปหาท่านพระกามภูถึงที่อยู่ท่านพระกาลมภูดได้กล่าวว่าจิตต์ขหบดีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ดังนี้ว่าเธอจงดูรถซึ่งมีส่วนประกอบอันไม่มีโทษมีหลังคาขาวมีเพลาเดียวไม่มีทุกข์ล่นไปถึงที่หมายตัดกระแสไม่มีเครื่องผูก ท่านจะพึงเห็นเนื้อความแห่งธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอย่างย่อ น, นี้โดยพิสดารได้อย่างไรจิตตากาหาบดีถามว่าธรรมะนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้อย่างนั้นหรือตอบว่าเป็นเช่นนั้นถ้าอย่างนั้นขอโปรดท่านรอสักครู่จนกว่ากระผมจะพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมะนั้นได้ลำดับนั้น จิตตคหาบดีนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วได้ตอบท่านพระกาแมภูดังนี้ว่าท่านผู้เจริญคําว่าส่วนประกอบอันไม่มีโทษเป็นชื่อของศีลคําว่าหลังคาขาวเป็นชื่อของวิมุติคําว่าเพล่าเดียวเป็นชื่อของสติคําว่าแล่นไปเป็นชื่อของการก้าวไปและการถอยกลับคําว่ารถ เป็นชื่อของกายนี้ซึ่งประกอบขึ้นจากมหาพูตรูปสีเกิดจากมารดาบิดาเจริญวัยเพราะเข้าสุขและขนมุมมาศไม่เทียงแท้ต้องอบต้องนวดเป็นมีอันแตกกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาท่านผู้เจริญราคะโทสัตโมหะเป็นทุกข์ทุกเหล่านั้นภิกษุขีณาศพ ลักได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเพราะฉะนั้นภิกษุขีนาศพพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าผู้ไม่มีทุกข์คำว่าแล่นไปถึงที่หมายนั้นเป็นชื่อของพระอรหันต์คำว่ากระแสเป็นชื่อของตัณหา ตัณหานั้นภิกษุขีณาศพละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเพราะฉะนั้นภิกษุขีณาศพพระผู้มีพระภาคจึงตรัสเรียกว่าผู้ตัดกระแสราคะโทสะโมหะเป็นเครื่องผูกภิกษุขีณาศพละได้แล้วพระผู้มีพระภาค จึงตรัสเรียกว่าผู้ไม่มีเครื่องผูกท่านผู้เจริญเพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสไว้ดังนี้ว่าเธอจงดูรถซึ่งมีส่วนประกอบอันไม่มีโทษมีหลังคาขาวมีเพลาเดียวไม่มีทุกแล่นไปถึงที่หมายตัดกระแสไม่มีเครื่องผูก เพื่อผมรู้ทั่วถึงเนื้อกว่าเมื่งธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอย่างย่อนี้โดยพิสดานอย่างนี้แหลเมื่อท่านจิตตะกะหาปดีกล่าวดังนี้ท่านพระกามภูกล่าวชื่นชมข้าบดีว่าเป็นลาภของท่านท่านได้ดีแล้วที่ปัญญาจักสุขของท่านอย่างลงในพระพุทธพจน์ที่ลึกซึ้งดังนี้ ครั้ต่อมาจิตตากาบดีได้เรียนถามท่านพระกรรมภู ด, ดังนี้ว่าสังขารมีเท่าไหร่ตอบว่ามีสามประการคือกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารถามว่ากายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขา น, นั้นเป็นอย่างไรตอบว่า ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกชื่อว่ากายสังขารวิตกวิจารชื่อว่าวจีสังขารสัญญาคือความจำได้หมายรู้และเวทนาคือความสวยอารมณ์ชื่อว่าจิตตะสังขารลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นไปในกายธรรมะเหล่านี้ เ, เนื่องด้วยกายเพราะฉะนั้นลมหายใจเข้าและลมหายใจออกจึงชื่อว่ากายสังขารบุคคลตรึกตรองก่อนแล้วจึงเปล่งวาจาภายหลังเพราะฉะนั้นวิตกวิจารณ์จึงชื่อว่าวจีสังขารสัญญาและเวทนาเป็นไปทางจิตธรรมะเหล่านี้เกี่ยวเนื่องด้วยจิต เพราะฉะนั้นสัญญาละเวทนาจึงชื่อว่าจิตตะสังขารถามว่าก็สัญญาเวทาอิตะนิโรธสมาบัตมีได้อย่างไรตอบว่าภิกษุผู้กำลังเข้าสัญญาเวทาอิตะนิโรธสมาบัตย่อมไม่คิดว่าเรากำลังเข้าหรือเราเข้าสัญญาเวทาอิตะนิโรธสมาบัตแล้ว ที่แท้จิตที่นำบุคคลเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้นเธอได้อบรมไว้ในการก่อนแล้วถามว่าก็เมื่อภิกษุเข้าสัญญาเวทาอิตะนิโรธาสมาบัติธรรมะเหล่าไหนดับก่อนกายสังขารวาจีสังขารหรือจิตตสังขารตอบว่าวาจีสังขารดับก่อน ต่อจากนั้นกายสังขารจิตตสังขารจึงดับถามว่าคนที่ตายแล้วกับภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทายตานิโรธสมาบัติทั้งสองต่างกันอย่างไรตอบว่าคนที่ตายแล้วนั้นกายสังขารวาจีสังขารจิตตสังขารของเขาก็ดับระงับไปอายุสิ้นไป ไออุ่นหมดไปอินทรีแตกสลายไปแต่ภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทายตนิโรธสมาบัติกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารก็ดับระงับไปแต่อายุไม่สิ้นไปไออุ่นยังไม่หมดอินทรีก็ผ่องใสทั้งสองนั้นต่างกันอย่างนี้ถามว่า การออกจากสัญญาเวทอยตานิโรธาสมาบัตมีได้อย่างไรตอบว่าภิกษุผู้กำลังออกจากสัญญาเวทอยตานิโรธาสมาบัต้นั้นย่อมไม่คิดว่าเราจะออกหรือเรากำลังออกหรือเราออกแล้วจากสัญญาเวทอยตานิโรธาสมาบัต้นั้นที่แท้จิตที่นําบุคคลเข้าไปเพื่อความเป็นอย่างนั้น เธอได้อบรมไว้ในการก่อนแล้วถามว่าเมื่อออกจากสมาบัตินั้นธรรมะเหล่าไหนาเกิดขึ้นก่อนกายสังขารวจีสังขารหรือจิตตสังขารตอบว่าเมื่อออกจากสัญญาเวท้าตานโรธสมาบัตจิตตสังขารเกิดขึ้นก่อนต่อจากนั้นกายสังขารวจีสังขาร จึงเกิดขึ้นท่านผู้เจริญภรสษะเท่าไรยอมถูกต้องภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวท้าิตานิโรธสมาบัติขหะบดีภรสษะสามคือสุญญาพรรษะอนิมิตตาพรสษะและอปปนิหิตะพัสษะยอมถูกต้องภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวท้าิตานิโรธสมาบัติ ถามว่าภิกษุผู้ออกจากสมาบัตรนั้นจิตน้อมไปโน้มไปโอนไปสู่อะไรตอบว่าภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวททะิตะนิโรธสมาบัตรนั้นแล้วจิตย่อมน้อมไปโน้มไปโอนไปสู่วิเวกคือนิพพานถามว่าธรรมเหล่าไหนมีอุปการะมาก แก่สัญญาเวทาอิตะนิโรธาสมาบัติข้าพเดียดปัญหาที่กวรจะถามก่อนท่านถามช้าไปแต่เอาเถอะมาตมาภาพจะตอบแก่ท่านธรรมะสองประการคือสมถะและวิปัสนามีอุปการะมากแก่สัญญาเวทาอิตะนิโรธสสมาบัติ ว่าด้วยพระโคธัตตะสมัยหนึ่งท่านพระโคทัตตะอยู่ที่เมืองมจิกาสันครั้งนั้นจิตตะกหาบดีเข้าไปหาท่านพระโคทัตตะถึงที่อยู่ครั้งนั้นท่านพระโคทัตต์ได้ถามจิตตะกหาบดีดังนี้ว่าอปปมานาเจโตวิมุตติอากินจัญญาเจโตวิมุตติสุญตตาเจโตวิมุตติ และอนิมิตาเจตโตวิมุตต์มีอัฏฐะและพยัญชนะต่างกันหรืออย่างเดียวกันจิตตาขหหบดีตอบว่าท่านผู้เจริญเพราะอาศัยเหตุใดธรรมะเหล่านี้จึงมีอัฏฐะและพยัญชนะต่างกันเหตุนั้นมีอยู่อันหนึง่งเพราะอาศัยเหตุใดธรรมะเหล่านี้จึงมีอัฏฐะอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเหตุนั้นก็มีอยู่และเพราะอาศัยเหตุใดธรรมะเหล่านี้จึงมีอัฏฐะและพยัญชนะต่างกันเหตุนั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียง แผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูนเป็นมหัมมคคะต์ไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่มีกรุณาจิตมีมุทิตาจิตมีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทุกทิศแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยกรุณามุทิตาอุเบกขาจิต อันัยบู์เป็นมหากตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่นี้เรียกว่าอปปมานาเจโตวิมุตตอากิจัญญาเจโตวิมุตตเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ล่วงวิญญาณัญจายตนะชาโดยประการทั้งปวง บรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่นี้เรียกว่าอากินจัญญาเจโตวิมุตสุญยะตาเจโตวิมุตคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าบ้างไปสู่โคนไม้บ้างเรือนว่างบ้างย่อมพิจารณาเห็นวิมุตว่าสิ่งนี้ว่างจากอัตตา หรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตานี้เรียกว่าสุญญตาเจโตวิมุตต์อ น, นิมิตตาเจโตวิมุตตเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุอ น, นิมิตตาเจโตสมาธิเพราะไม่กำหนดนิมิตทั้งปวงอยู่นี้เรียกว่าอ น, นิมิตตาเจโตวิมุตต ท่านพู้เจริญเพราะอาศัยเหตุใดธรรมะเหล่านี้จึงมีอัฏฐต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันเหตุนั้นเป็นอย่างนี้แลเพราะอาศัยเหตุใดธรรมะเหล่านี้จึงมีอัฏฐะอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นคือราคะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องวัด โทสะโมหะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องวัดกิเลสเหล่านั้นภิกษุขีนาศลักได้แล้วตัดรากถอนโคนได้แล้วอัปปานาเจโตวิมุตมีประมาณเท่าไหร่เจโตวิมุตอันไม่กำเริบบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าอัปปานาเจโตวิมุตเหล่านั้นเจโตวิมุตอันไม่กำเริบนั้นว่างจากราคะ โทสะโมหะราคะโทสะโมหะชื่อว่าเป็นเครื่องกังวลกิเลสเหล่านั้นภิกษุขีนาศพละได้แล้วตัดรากถอนโคนได้แล้วอากินจัญญาเจโตวิมุตต์มีประมาณเท่าไหร่เจโตวิมุตต์อันไม่กำเริบบัณฑิตกล่าวว่า เลิศ ก, กว่าอากินจัญญาเจโตวิมุตเหล่านั้นเจโตวิมุตอันไม่กำเริมนั้นว่างจากราคะโทสะโมหะก็ราคะโทสะโมหะนั้นชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องกระทำนิมิตกิเลสเหล่านั้นภิกษุขีณาสกละได้แล้วตัดรากถอนโคนได้แล้ว อานิมิตาเจโตวิมุตตมีประมาณเท่าไรเจโตวิมุตตอันไม่กำเริบบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าอานิมิตาเจโตวิมุตตเหล่านั้นเจโตวิมุตตอันไม่กำเริบนั้นว่างจากราคะโทสะและโมหะท่านผู้เจริญเพราะอาศัยเหตุใดธรรมะเหล่านี้จึงมีอัตถะอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยันชนะ เหตุนั้นเป็นอย่างนี้แลท่านพระโคตตะได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวชื่นชมว่าเป็นลาภของท่านท่านได้ดีแล้วที่ปัญญาจักสุขของท่านยังลงในพระพุทธพจน์ที่ลึกซึ้งอย่างนี้ว่าด้วยนิครณทนตะตบุตร สมัยหนึ่งจิตตกหาหบดีได้ยินว่านิครนทนาตบุตรมาถึงเมืองมัจจิกาสันพร้อมด้วยนิครนทบริษัทหลายคนครั้งนั้นจิตตกหาหบดีพร้อมด้วยอุบาสกหลายคนเข้าไปหานิครนทนาตบุตรถึงที่อยู่นิครนทนาตบุตรถามจิตตากาหบดีดังนี้ว่ากาหบดีท่านเชื่อหรือไม่ว่าปรัสมณะโคดม มีสมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารณ์มีความดับวิตกวิจารณ์ตอบว่าไม่เชื่อเช่นนั้นเมื่อกล่าวอย่างนี้นิครนทน่าตบุตรแลดูบริษัทของตนแล้วได้กล่าวว่าขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงพิจารณาเรื่องนี้ตราบที่จิตตะกะหะบดีนี้ยังเป็นคนตรงไม่โอโอดไม่มีมานยาเขาเข้าใจวิตกวิจารณ์ ว่าดักได้ก็เข้าใจว่าใช้ข่ายปิดกั้นลมได้หรือเข้าใจกระแสแม่น้ำคงคาว่าใช้กําลังของตนปิดกั้นได้จิตตากาพดีกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรญาณหรือศรัทธาอย่างไหนประณีต ก, กว่ากัน ตอบว่ายานนั่นและประนีตกว่าศรัทธาท่านผู้เจริญผมสงัดจากกามและอกุศลละธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ตราบเท่าที่ต้องการเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปผมบรรลุทุติยฌานตราบเท่าที่ต้องการ เพราะปีติจางคลายไปผมบรรลุตติญาชาญตราบเท่าที่ต้องการเพราะละสุขได้ผมบรรลุจตุทตถชาญตราบเท่าที่ต้องการท่านผู้เจริญเมื่อรู้เห็นอย่างนี้ผมจึงไม่เชื่อใครอื่นไม่ว่าสมณะหรือพราหมณใดจะบอกว่ามีสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณมีความดับวิตกวิจารณ์ เมื่อจิตตะกะหบดีกล่าวอย่างนี้แล้วนิครทนนาตะบุตรลาดูบริษัทของตนและกล่าวดังนี้ว่าขอท่านผู้เจริญทั้งหลายจงพิจารณาความข้อนี้ตราบที่จิตตะกะหบดีนี้เป็นคนไม่ตรงโอ้อวดมีมารยาเมื่อเป็นเช่นนี้จิตตะกะหบดีจึงกล่าวว่าข้อที่ตอนแรกท่านบอกว่า จิตตกะหาบดีเป็นคนตรงไม่อ้วดไม่มีมารยาแต่ต่อมาก็บอกว่าจิตตะกะหาบดีเป็นคนไม่ตรงอร้วดมีมารยาถ้าคำพูดครั้งแรกของท่านถูกคำพูดครั้งหลังของท่านก็ผิดแต่ถ้าคำพูดครั้งหลังของท่านถูกคำพูดครั้งแรกของท่านก็ผิดปัญหาที่ประกอบด้วยเหตุสิบข้อนี้มาถึงท่าน เมื่อท่านทราบเนื้อความของปัญหาเหล่านี้ก็พึงบอกผมกับนิกรณธบริษัทปัญหาปัญหาสิบข้อนี้คือปัญหาหนึ่งอุเทศหนึ่งเวียกรหนึ่งปัญหาสองอุเทศสองเวียกรสองจนถึงปัญหาสิบอุเทศสิบเวยยกรสิบ รันจิตตะกะห บ, บดีถามปัญหาที่ประกอบด้วยเหตุสิบข้อนี้กับนิครนทนาตบุตรแล้วก็ลุกขึ้นจากอาสนะแล้วจากไปว่าด้วยอเจละกะสัส ป, ปะสมัยหนึ่งอเจละกะสัส ป, ปะผู้เคยเป็นสหายเก่าเมื่อครั้งเป็นข้ารืหัดของจิตตะกะห บ, บดีไปถึงเมืองมจิกาสัน ท่านจิตตากะหาพดีถามว่าบวชมานานเท่าไรแล้วตอบว่าบวชได้ประมาณส0สิปีแล้วถามว่าตลอดส0สิปีนี้ญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่ากุศลกรรมบท1สิบหรือธรรมะของมนุษย์นั้นเป็นธรรมะเครื่องอยู่ผาสุขที่ท่านบรรลุแล้วมีอยู่หรือไม่ ต อ, อบว่าไม่มีมีแต่ความเป็นคนเปลือยคนล้นการสลัดฝุ่นทุลีด้วยขนหางนกยูงอจเจรกัสปะถามกลับว่าข้าบดีท่านเข้าถึงความเป็นอุบาสกนานเท่าไหร่แล้วตอบว่าได้ประมาณสามสิบปีแล้วเช่นกันถามว่าตลอดเวลาสามสิปีนี้ ญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่ากุศลกรรมบทสิคือธรรมะของมนุษย์นั้นเป็นธรรมะเครื่องอยู่ภาสุที่ท่านบรรลุแล้วมีอยู่หรือไม่ท่านผู้เจริญแม้แต่เข้ารือหัดก็พึงมีธรรมะเช่นนั้นได้เพราะผมสงัดจาักรามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานทุติยฌานตติยฌาน และจะตุตตถาชาญตราเท่าที่ต้องการพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ผมว่าจิตตะกะบดีประกอบด้วยสังโยชน์ใดที่พึงทำให้กลับมาอย่างโลกนี้อีกสังโยชน์นั้นไม่มีข้อนี้ต้องหมายถึงการสําเร็จเป็นพระอนาคามีนะครับเพราะว่าไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้ว แต่ตายแล้วจะไปเกิดเป็นเทพชั้นสุดทาวาดและบรรลุนิพพานที่นั้นเมื่ออาเจลกัสสะได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวสรรเสริญธรรมของพระผู้มีพระภาคที่ทำให้แม้อุบาสกเขรหัสผู้นุ่งขาวห่มขาวก็สามารถบรรลุญาณทัศนะที่ประเสรศิฐอันสามารถอันวิเศษ ย, ยิ่งกว่ากุศรกรรมบวสิบประการคือธรรมะของมนุษย์นั้นได้ จึงแสดงความปรารถนาอยากบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวิไนนนี้ต่อมาจิตตกะหาบดีได้พาอาเจลกัสปะเข้าไปหาภิกษุผู้เป็นเทราทั้งหลายและขอให้บรรพชาอุปสมบทให้อเจลกัสปะนั้นเมื่อได้บรรพชาอุปสมบทแล้วไม่นาน ก็หลีกออกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจยอยู่ไม่หนานักก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายว่าด้วยการเยี่ยมผู้ป่วยสมัยหนึ่งจิตตะคหาบดีเจ็บป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนัก ครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ในอารามอยู่ในป่าอยู่ที่ต้นไม้อยู่ที่ต้นหญ้าเป็นโอสดและต้นไม้เจ้าป่าจำนวนมากมาประชุมพร้อมกันแล้วได้กล่าวกับจิตตะคะหะบดีดังนี้ว่าคะาบดีท่านจงตั้งความปรารถนาว่าขอเราพึงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิในอนาค ต, ตการเถิด เมื่อพวกเทวดากล่าวอย่างนั้นจิตตากาหบดีจึงกล่าวว่าแม้ความปรารถนาเป็นพระเจ้าจากักรพรรดนั้นก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนบุคคลจำต้องละไปเมื่อกล่าวดังนี้แล้วครั้งนั้นมิตรอมาตยาสาโลหิตที่เฝ้าคายอยู่รอบจิตตาหบดีนั้นต่างคนต่างมองไม่เห็นเทวดาจึงไม่รู้ว่า ท่านกำลังพูดกับเทวดาก็กล่าวว่าขอให้ท่านจงตั้งสติไว้อย่าเพ้อไปหาว่าท่านป่วยหนักจนเพอ้อท่านจิตตะกหาเบดีจึงบอกให้ฟังว่ามีเทวดาหลายเหล่ามาบอกให้ปรารถนาพระเจ้าจากักรพรรดิซึ่งเป็นสิ่งไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนบุคคลจำต้องละไปเมื่อได้ฟังดังนี้ บิดามาถยาสาโรกิกเหล่านั้นก็บอกอ้อยท่านจิตตกะหาพดีกล่าวสอนพวกเขาบ้างจิตตาะหาพดีจึงกล่าวว่าพวกท่านพึงศึกษาอย่างนี้ว่าพวกเราจักถึงพร้อมด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผูมิพระภาค พ, พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ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 ปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่อริยาบุคคลสี่คู่แปดจำพวกคือตั้งแต่พระโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลจนถึงอรหัตมักและสูงสุดคืออรหัตผลพระสงฆ์คือพระอริยสงฆ์ตั้งแต่โสดาบานนั้นพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้เป็นผู้กวนแก่ของที่เขานำมาถวาย ควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษีนาควรแก่การทำอันเชอรีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกอันหนึ่งยทยธรรมทุกอย่างในตระกูลจะเป็นของไม่แบ่งแยกกับท่านผู้มีศีลมีธรรมอันงามพวกท่านพึงศึกษาอย่างนี้ข้อที่ว่าไม่แบ่งแยกกับท่านผู้มีศีล หมายถึงไม่แบ่งแยกว่าจะถวายภิกษุส่วนหนึ่งจะใช้สอยเองส่วนหนึ่งแต่จะใช้เป็นของสาธารณะกับผู้มีศีลคือภิกษุจิตตาค่าบดีนั้นครันชักชวนมิตรอมาตยาสาโลหิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และทำให้เลื่อมใสในการบริจาคทานแล้วก็ทำกาละ คือตายในที่นั้นเอง